กราบขอการจากพระอาจารย์สุลินนะครับแล้วก็ขอการจากพวกเราเพื่อนสาธมิกครับเจ ร, ริญพรพวกเราแม่ชีภิกษุณีแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายก็เราสู่กันฟังเนาะเราสูดกันฟังก็เมื่อกี้กคาสุดท้ายเนาะที่เราสวดกันก็ จำได้หรือเปล่าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถนะิดตัวนี้ก็เป็นคำสำคัญเนาะเป็นการสําคัญฟังปุ๊บก็จิตนะ่มันก็คิดถึงหลวงพ่อเทียน เ, นะเระหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนาะ ตามแนวของพระเทียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำกันก็คือแบบว่าระวังกายแคร์คลายวังใจกลางกลางไม่เพ่งไม่จ้องเนี่ยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเนาะนั่นก็คือเป็นมันก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเอง เ, เวลาให้เราแผ่เมตตาก็พูดให้เราได้คอยสังเกตความเป็นไปของกายของใจ ตำนเดียวกันหลวงพ่อเทียนก็แนะนําว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมจะยกมือสร้างจังหวะก็ดีจะเดินจงกรมก็ดีหรือว่าเวลาที่เราทํากิจอื่นๆเมว่าหลวงพ่อเทียนก็จะแนะนําว่าให้เอาเขาเรียกว่าเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปผนวกกับชีวิตประจําวันนั้นไม่ว่าเราจะลุกจะนั่งจะทานข้าวจะเคี่ยวข้าวจะเอี้ยวตัวซ้ายเอียวตัวขวาเนี้ยถ้าเกิดเมื่อเรา ได้กลับมาพิจารณาความเป็นไปของกายของใจเนี่ยถ้าเราวางกายคลายคลา ย, ลายวางใจกลางๆงไม่ว่าจะเป็นอิเลียบทไหนก็ตามเนี่ยตรงนี้กายเราไม่ทุกใจเราก็ไม่ทุกเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กลายว่าก็เป็นสิ่งที่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไม้มท่านก็ได้เน้นเรื่องนี้เนาะขอให้พรมอาจารย์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินเนาะอย่างที่เราสวดกันใช่ไหมอย่างเงี้ยก็นั่นก็คือการที่เราเพียรพยายามกันเนาะจะมาบวชก็ดีจะมาเข้าวัดก็ดีก็คือเข้ามารักษาพรหมจรรย์การเข้ามารักษาพรหมจรรย์นเนาะก็เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าตามภาษาทางพุทธเราก็เรียกว่า ให้ให้เราไปถึงที่สุดเนาะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็คือการที่เราได้เข้าใจคําความทุกข์อย่างจำแจ้งเนาะอย่างเนี้ยตรงนั้นถ้าเราเข้าใจความทุกข์อย่างจำแจ้งแล้วก็จะไม่ทุกข์กันตรงเนี้ยหรือว่า <c oughs> ที่พระจานทร์สลินเขาพาสวดอีกบทหนึ่งคือบท กัญยาณมิตรเนาะตรงนี้ก็ได้พูดถึงพรหมจันท์ที่เราพยายามรักษากันเนาะตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราได้อาศัยครูบาอาจารย์เนาะได้อาศัยพุทธเจ้าเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกัญยาณมิตรเนี่ยบอกว่าพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์เลยไม่ใช่เป็นแค่ครึ่งเดียวนะนั่นคือตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคือบทสวดมนต์ก็ดีเนาะ คำบอกความสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีที่ที่เหมือนกับว่าได้กลั่นเอามาจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยการที่คำว่าประพฤติพรห ม, มจรรย์ของเราหลวงพ่อมาเขียนก็สรุปง่ายๆเนาะสรุปง่ายๆหลวงพ่อมาเขียนก็บอกว่าก็คือหันหลังให้กับความไม่ดีซะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความดี ตรงนี้ก็มันก็เห็นชัดเจนมากนะว่าภารกิจของเราไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้เลยให้ละฝมไม่ดีซะแล้วก็มุ่งหน้าทำแต่ความดีตรงนี้ก็เป็นคำถามที่ก็เรียกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะถามกันอยู่เป็นประจำนะเกิดมาทาไมพระจันทร์เปสารดัานก็บอกว่าไม่ต้องถามนะว่าเกิดมาทำไมแต่ควรจะถามตัวเองว่าเกิดมาแล้วควรจะทาอะไรดี S <S <an> ตรงเนี้ย น, นะมันก็เป็นสิ่งที่ ก, ก็เรียกว่าเออนะใช่ไหมอย่างงั้นทำไมเราเกิดมาตามบอดแล้ว เ, เกิดมาหูหนวกหรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องเกิดมาเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆตอนนั้นมันก็เป็นคําถามที่เป็นคาําถามที่ก็เรียกว่าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยหรือว่าก็เรียกว่าเป็นทางลกโลกกันเนาะก็จะถามกันเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมฮะทำไมทำไมทำไม ตรงนี้มันก็นเป็นเรื่องที่เมจ่อจันเปสารท่านก็ช่วยนะใช่ไหมเราเกิดมาเราควรจะทำอะไรดีตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็เห็นตัวอย่างเนาะมามากๆยิ่งอย่างหลวงพ่อเองเนาะอยู่ทั้งโลกมาห้าสิบปีกว่าจะมาบวชเนี่ยโอ้ก็เราก็ คำว่าทําอะไรดีเนี่ยวันหนึ่งนี้จะคิดอยู่เรื่อยนะไอะ้วันนี้จะทําอะไรดีมีเวลาสมนาทีห้านาทีจะทําอะไรดีและท้ายสุดไอ้สิ่งนี้เราเลือกนะก็เป็นเรื่องทางโลกโลกนะจะไปเดินช้อปปิ้งมั่งจะดูทีวีมั่งจะอ่านหนังสือมั่งหรืออะไรต่งตางๆนานาอะไนี่นนนนะก็เล่าแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราเองเราก็เลือกเลือกเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่ามันมีทางทำ หรือว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันแยกกันแบบไหนยังไงอะไรต่างๆนาน า, น า, นานนเราคิดว่าเราเลือกอ่านหนังสือดีๆก็ดีแล้วเราเลือกดูหนังดีๆก็ดีแล้วอย่างงี้แต่นั่นก็คือมันก็เป็นเรื่องของการที่มันมันเป็นทางเลือกที่เราเลือกบนความไม่รู้แล้วพอเราเลือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาลื้อดูหนังเราเลือกเรื่องพวกนั้นเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้ น, นเนี่ย จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าคําว่าดีขึ้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันซึ่งเราก็หมายถึงในทางโลกโลกอีกเหมือนกันนะวันนั้นก็คือก็หมายถึงอาจจะหมายถึงว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนากมีอะไรต่างๆนานา น, านนะล้วนแล้วจะเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าการเลือกแบบนั้นนะเนาะจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ทุกข์อย่างเงี้ย เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก็ได้สรุปเอาไว้ให้กับโยมคนนึงเนาะที่เคยถามหลวงพ่อก็นั่งคุยนั่งสักถามจําได้เลยว่าแว่าโยมก็ถามกันสามชั่วโมงเต็มเต็มตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะปีสามแปดมาที่นี้ละอย่างเงี้ยสาลาไก่ตอนนั้นยังใช้สาระไก่ที่นี่สาลานี้ยังไม่มี วัชรานี้ก็มีอีกแปดปีให้หลังก็หลวงพ่อก็ตอนบ่ายนะบ่ายสามโมงก็มาที่วัดนี้แล้วก็ก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นมากราบหลวงพ่อก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็นั่งนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่แล้วปรากฏว่ า, เ, าเขาก็คุยก็ถามสารพัดเรื่องที่เขาสงสัยนะ <c oughs> ก็ เรื่องที่เขาถามเ้าเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่มัน <c oughs> ออกจะลึกลับออกจะหาคำตอบไม่ได้อัทิเช่นผีมีจริงไหมอัทิเช่นไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่หรือรอะไรต่างๆนา่นน่ะเนี้ยก็เป็นคําถามที่เราคนทั้งโลกนะั่นก็สงสัยกันอยากได้คําตอบแล้วก็ก็คิดว่าพระนี่แหละผู้หญิงคนน้นคงคิดว่า หลวงพ่อนี่แหละคงให้คำตอบที่กระจ่างกัเข้าได้แล้วก็หลวงพ่อก็ตอบคำถามต่างๆที่เขามีนะโดยท่าทีที่ดีๆนะฮะหรือบาก็ตอบแบบว่าตอบทุกคำถามที่เขามีจน ก, กระทั่งใกล้หกโมงเย็นแล้วล่ะก็เขาก็ถามขึ้นมาแกบว่าเอ๊ะหลวงพ่อ เนี่ยตอนเนี้ยที่กรุงเทพอ่ะเขาฮิตพลังจักรวาลกันพลังจักรวาลก็เป็นศาสตร์ศาตรหนึ่งนะที่เหมือนกับคล้ายๆโยคะคล้ายๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นศาสตร์ศสตรหนึ่งที่เขาก็สอนกันแต่ว่าพอดีในในปีนั้นเนี่ยพลังจักรวาลเนี่ยเขามีเรื่องเรื่องตรงที่ว่ามันต้องใช้ตังเยอะเหมือนกันเพราะว่าพลังจักรวาลเขาเหมือนกับครูสอนเนี่ยจะสอนได้ในระดับหนึ่งถ้าหากว่าจะไปรับ อืมพลังอีกหลับนึงเนี่ยจะต้องไปที่ต่างประเทศจะต้องเสียเงินหลายตังก็เ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นความสงสัยของคนกรุงเทพนะแต่คนกรุงเทพก็ชอบเสียตังเยอะๆแบบเนี้ยมันถามหลวงพ่อว่าพลังจักรพรรดเนี่ยเป็นยังไงหลวงพ่อมันจริงหรือไม่จริงมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนหะ <c oughs> ลวงพ่อก็ตอบเหมือนตาทิพย์เลยนะห <c oughs> ลวงพ่อก็บอกบางว่า ทุกวันเนี่ยโลกนะก็มีของแปลกๆใหม่ๆเนี่ยตลอดเวลามีของที่น่าสนใจเยอะๆไปหมดแล้วก็ก็เรียกว่ามีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนี่ยไม่เคยซ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่หลงวงพ่อสนใจก็คือหลงวงพ่อสนใจอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองอะทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์ ก็พอฟังหลวงพ่อแล้วก็โอ้ตายแล้วนะไอ้เรื่องที่มันสงสัยที่มันยกออกหายไปจากเราหมดเพราะว่านั้นคือเราเองแล้วก็เหมือนกับก็เป็นเหมือนกับคนกลุ่มเทพเหมือนกับคนชาวกรุงเหมือนกับคนที่มีทางเลือกได้เยอะๆเยอะๆทั่วๆกันก็คือเราก็งงนะว่าเราจะเลือกอะไรอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่คําสอนทางธรรม ก็เป็นคาสอนที่ไม่ยุ่งยากก็มีเรื่องเดียวอะที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสนใจกันก็คือทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์คือตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรามองและเล่ บ, บ, บตัวเรายิ่งสุกโตเป็นมัดใหญ่เนาะก็มีผู้คนหลากหลายมาจากหลายทางกันคนนั้นทำอย่างนั้นมาคนนี้ทำอย่างนี้มาในต่างนานาเรล่านี้แต่ว่าคนทั้งหมดที่มุ่งหน้า้ามาที่นี้ก็คือมีทุกข์ มากันก่อนเนาะแล้วก็มาหาทางที่จะทํำยังไงให้ทุกข์คลายลงอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็จะพบว่าทุกข์ในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่มีซ้ํานะไม่มีซ้ํ า, ม, างงมีอย่างนู้นมีอย่างงี้มีอย่างงั้นบางทีเราก็นึกอเรื่องแค่นี้ไม่น่าทุกข์เลยแต่เขาก็ทุกข์นะใช่ไหมอย่างนั้นว่านั้นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็เรียก ถ้าเราคิดขึ้นมาอะไรอะไรก็ตามเนาะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ได้ทั้งหมดเนี่ยนั้นก็ตรงนี้ล่ะที่มันทําให้คล้ายๆว่าชีวิตของเราก็วนเวียนเนาะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดก็เกิดกับจะแม้เรื่องพวกเนี้เรื่องต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าพอเรามีทุกข์เราก็ก็เรียกว่าแสวงหาความสุขแสวงหาความสุขการแสวงหาความสุขของเรานี่แหละเป็นเรื่องที่หลุงปู่มั่นบอกว่า แสวงหาความเผ็ดร้อนใช่ไหมคือถ้าเรานึกถึงการแสวงหาความสุขของเราบางนี้ก็ไปกินส้มตํากันความเผ็ดร้อนเนาะใช่ัหมเราก็เหมือนกับความสุขของเราเป็นส้มตํำนะแต่เราก็ยอมรับไอ้ความเผ็ดร้อนตรงนั้นท้ายสุดกินส้มตําเสร็จก็จะต้องหาน้ําหานู่นหานี่หนึ่งต่นานามาดับเผ็ดดับร้อนกัน ตรงนี้มันคือมันเป็นเรื่องที่ความไม่รู้ของเราก็พาให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าหนีความทุกข์ด้วยการหาความสุขอนี้แล้วก็การหาความสุขของเราก็จบลงด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจกันตลอดไม่ว่าเราจะเกิดมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามอย่างเนี้ยนั้นพุทธเจ้าเองก็พุทธเจ้าเองก็คงจะเห็นเป็นแบบนี้เนาะ พระเจ้าก็ใช่ไหมเหมือนกับเราก็รู้ว่าพอพระเดเจ้าออกไปเจอคนในเมืองเนี้ยอเราต้องแก่แบบนี้เหรอเราต้องป่วยเราต้องเจ็บแบบนี้เหรอเราต้องตายแบบนี้เหรออะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยพระเจ้าเองก็ถึงได้ว่าจะหาทางที่คําว่าหลุดพ้นเนาะนั่นนั่นคือคําว่าหลุดพ้นจากทุกเนี่ยไม่ใช่มาหมายถึงเป็นสุขแต่หลุดพ้นจากทุกก็หมายถึงว่าเราไม่ทุก ตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เป็นคำที่ต้องเรียกว่าไม่เคยเข้าหูเลยนะตั้งแต่เหมือนกับว่าก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อกำเขียนเนะี้ยคำว่าไม่ทุกข์ก็เหมือนกับมันก็เป็นสัพทั่วๆไปที่เราก็รู้อยู่แต่ว่านั่นคือเราไม่เคยคิดนะที่จะสร้างความไม่ทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ว่านั้นก็คือเราหลงอยู่ว่ามันมีเรื่องอยู่แค่เราสัมผัสทุกข์เราก็ต้องไปหาสุข เพื่อแก้กันอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นพอเราไม่มีทิศทางเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตรเราก็กระเซาะกระเิไปนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าที่สุดของพรหมจรรย์ของเราเนี่ยมันก็น่าจะชวนกันดูอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนพูดนะหลวงพ่อสนใจเรื่องเดียวเท่านั้นทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์แต่คำว่าสนใจเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับว่า มีก็มีเด็กเนะมาปฏิบัติธรรมเด็กคนจีนมาปฏิบัติธรรมอายุสิบสิบห้าสิบหกเขาก็ถามว่าคำว่าอิสระของพระมันเป็นยังไงกันในเมื่อ่าพระก็พูดคำว่าอิสระนะแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในกรอบของวิไนใช่ไหมเอ๊ะอย่างงี้แล้วเมื่อคำว่าอิสระมันก็ควรจะหมายถึงว่ามันไม่มีกรอบสิ อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแล้วมันมันจะหมายถึงยังไงคําว่าอิสระแบบนี้มันไม่มันไม่เหมือนกับพวกผู้คนทั่วๆไปหรอที่เขามีอิสระที่เขาจะทำอะไรกันยังไงต่างๆตรงนี้ละมันเป็นเรื่องที่ไออิสระที่ที่พุทธเจ้าพูดถึงตรงเนี้ยหมายถึงอิสระอะไรใช่ไหมอย่างเนี้ยก็หมายถึงว่าอิสระจากจากความเป็นทุกข์เนาะอย่างเนี้ยอิสระจากการที่เราเองเนี้ย ตกเป็นาธาตุของความอยากอย่างนี้คือเราเองเราอาจจะไม่ทันรู้ตัวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการฝึกนะปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะมาคอยสังเกตความเป็นไปของจิตใจของเราเนาะอย่างนี้ว่าเอ๊ะจิตใจกับร่างกายมันเป็นยังไงกันอย่างนี้เนาะนั่นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำเด่นของหลวงพ่เทียนเนาะที่บอกว่าแยกกันเนาะระหว่างเรื่องกายกับเรื่องใจเนาะเรื่องรูปเรื่องนามตรงเนี้ยพราะนั้นนั่นคือนี่คือเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราได้สังเกตกันเนาะการกระทําของกายก็ต้องมาจากจิตใจหลวงพ่อเขียนก็จะพูดถึงเรื่องศีลนมนองว่าโอ้เรื่องศีลน่ะเป็นเรื่องที่กํากับกายเนาะ แต่เรื่องจิตใจนะที่มีสตินี่แหละจะทําให้ต้องมีศีลโดยสมบูรณ์เพราะว่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่จิตใจจะเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทําอะไรถ้าจิตใจเนี่ยไม่มีศีลเนี่ยจะเป็นร่างกายก็ทําผิดศีลแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิตใจมีสตินะอย่างเนี้ยการกระทําของเราเนาะก็จะเป็นการกระทําที่เป็นเรื่องของการที่สํารวมระวังไม่พาเรา ไปทําให้เกิดการผิดศีลซึ่งตรงนี้เองพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้พูดถึงมุมของศีลนะซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนาะมีคนมาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าสอนว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยจะตกนรกเนี่นะจะเป็นบาปเนี่ยพระเจ้าบอกไม่ได้สอนนะพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นแต่เราสอนว่าท่านละ การฆ่าสัตว์เสียได้เนี่ยจะไม่ถูกนั่นก็คือเป็นเรื่องที่พุทธชาให้เราสอนให้เราได้ลองลดลองละลองเลิกอะไรต่างๆนานาเ่ า, น า, น า, นานเนี้ยแล้วลองมาสังเกตดูที่จิตใจเรามาถ้าเราไม่ทําแบบนั้นแล้วจิตใจเราเป็นแบบไหนซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องก็เรียกว่าเป็นเรื่องหลักของการปฏิบัติทางเราเลยนะมาเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า เวลาที่เราปฏิบัติทำแล้วก็ไม่ทำอะไรกันมากไปกว่าเรื่องของการที่จะมาสนใจความเป็นไปของกายกับความเป็นไปของใจแล้วก็คำสอนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยการที่บอกบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยตรงนี้ผลของการทำแบบนี้เนาะผลที่เกิดขึ้นถ้าเราทำได้กลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยตรงนี้จิตใจของเราก็จะพ้นมาจากความคิดเนาะ พ้นมาจากความคิดที่เป็นความยุ่งยากที่เป็นเหตุของทุกข์ตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครูบาอาจารย์สอนก็เรียกว่าพอเริ่มสอนปุ๊บก็เขาเรียกว่าบอกวิธีการที่ทํำยังไงให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์เลยอะไรเงี้ยแล้วว่าเขียนก็ช่วยแบบว่าขยายความเนาะ แปลว่าความคิดมันมีอยู่สองอย่างความคิดไม่ได้มีหลายอย่างนะมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองความคิดอันหนึ่งก็คือตั้งใจคิดอีกอันหนึ่งก็คือหลงไปคิดเอดตัวที่หลงไปคิดนั่ก็คือตัวจิตใจถ้าจิตใจไปกับความหลงเนี่ยจิตใจที่เต็มไปด้วยความหลงนะจะกลับมาสั่งให้ร่างกายทำมันนั้นอันนี้เนี่ย ร่างกายก็ต้องทําไปตามความหลงเนาะท้ายสุดความเดือดเนื้อร่อนใจก็เกิดขึ้นเนี้แต่ถ้าเกิดว่าจิตใจมีสติอยู่กับเนื่องกับตัวตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจก็พ้นออกมาจากความหลงเนาะการที่เราจะได้รับผลดีจากการกระทําวันนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นนักนคือการที่หลวงพ่อกําเขียนเนี่ยบอกบอกว่าหลวงพ่อสนใจว่าทํายังไงให้ไม่ทุกเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราเอาเนะขยายความเป็นมาาล้างจานยังไงให้ไม่ทุกขนะ์เนาะกวาดบ้านยังไงให้ไม่ทุกขนะ์เนาะสอนลูกยังไงให้ไม่ทุกขนะ์เนาะเดินยังไงให้ไม่ทุกขนะ์เนาะนั่งยังไงให้ไม่ทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะมาสํารวจเนะมาสํารวจความเป็นไปของตัวเราเนี่ยได้ตลอดเวลาสํารวจผ่านอะไรผ่านความรู้สึกตัว รู้สึกตัวได้ไหมใช่ไหมว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่รู้สึกตัวได้ไหมว่าตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งยังไงถึงจะไม่ทุกข์อย่างเงี้ยเรายือนอยังไงถึงจะไม่ทุกข์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะมาพิจารณาเรื่องราวต่างๆน า, นานาเหล่านี้ได้ตลอดเวลาเพราะว่า น, นั่นคือเรามีความรู้สึกตัวกับตัวเองเนาะทุกๆคน หลวงพ่อเขียนบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยช่วยพวกเราได้นะพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหลวงพ่อช่วยได้นะพาไปหาหมอหาหมอได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยต้องทำเ อ, เองนะตัวนี้ก็คือเรื่องที่คาสอนเนาะของครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วสอนแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำยังไงเนาะเอาไปทำเองเนาะเราจะไปทำเองทอยังไง ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราเองเราก็ต้องเหมือนกับว่ากลับมารับผิดชอบตัวเองถ้าหากว่าเราตั้งใจว่ า, าเนาะทำยังไงเนาะเราถึงจะพาตัวของเราเองเนี่ยออกจากทุกข์ให้ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็จะระลึกถึงเนาะระลึกถึงสิ่งต่างๆนานาเหล่า น, า น, า น, านี้อยู่ในชีวิตประจวันของเรานั่นคือตรงนี้การที่ การฝึกกรรมฐ า, านเนาะในแนวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยตรงนี้ก็คือการที่หัดหัดรู้สึกตัวกันผ่านความเคลื่อนไหวการหัดรู้สึกตัวผ่านความเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้ทำพูดถึงหลวงพ่อเองแล้วก็เรียกว่ามีบุญอย่างยิ่งนะมีบุญอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับความรู้สึกตัวเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็รู้สึกนะพอพูดถึงความรู้สึกตัวเขาแล้งจําได้เลยว่าได้ยินควารู้สึกตัวเนี่ยจิตใจนะก็แบบเออะขึ้นมาเขาก็รู้อยู่รู้อยู่แล้วะนะก็รู้อยู่แล้วแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เรามีอยู่ืางที่เราก็ใช้ไม่เป็นพอเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยทําให้มันก็ มีกับใช้เนี่ยมันก็ต่างกันเหมือนเรามีตังใช่ไหมใช้ไม่ถูกนะตังก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเทียนเองก็บอกเนอะรู้สึกตัวเนะรู้สึกตัวกับการที่เราเนี่ยหัดเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวกันตรงเนี้ยการที่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยก็กลับมารู้สึกตัวเพื่อทํำยังไง ให้กายไม่ทุกข์ให้ใจไม่ทุกข์ตั้งแต่เราเริ่มนั่งกันเลยเนาะตั้งแต่เราเริ่มนั่งกันเลยใช่ไหมทำยังไงวางกายคลายเนาะวางใจกลางๆงเนาะกับการนั่งวางกายคลายนะวางใจกลางๆเนยะกับการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เหมือนกับมีมีเขาเรียกว่ามีคําสอนนะ มีคําแนะนําของท่านอยู่ในใจเนี่ยคอยกํากับเนี่ยตรงนี้เนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นทําได้ไม่ยากพอเราเริ่มทํากรรมฐานในรูปแบบที่ที่แปรเนาะการยกมือสร้างจังหวะอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจของเรามันก็เริ่มใช่ไหมเริ่มมีความสงสัยอันนู้นอันนี้ อันนั้นนั่นคือคาสอนต่อไปที่บอกบอกว่าถ้ารู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พอเวลาที่พวกเราทุกคนหัดกรรมาฐานนี้กันเนี่ยภายในเวลาไม่ถึงนาทีที่เรายกมือเนี่ยเราต้องคิดแล้วละ่ะใช่ไหมหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าสิ่งที่คิดเนี่ยนี่คือเราหลงไปคิดหรือเราตั้งใจคิดอย่างนี้ณนะขณะที่เรากำลังแบบว่าตั้งใจเนาะที่จะ ทำกรรมฐานกันเนี่ยความคิดที่เข้ามาเนี่ยก็คือความคิดที่เรียกว่าการหลงไปคิดวันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับวางความคิดเนอะที่จะที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยได้ง่ายๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราจําแนกไม่ถูกจําแนกไม่ถูกว่าโอ้อย่างงี้นะเรียกว่าหลงไปคิดเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจคิดเนอะ หรือว่าภาษาหลวงพ่อพเขียงก็จะบอกว่าลักคิดเนี่ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยหลวงพ่อเทียนก็บอกผมว่าตอนที่หลวงพ่อเทียนเริ่มที่จะจับทางได้เนี่ยหลวงพ่อเทียนบอกว่ากําลังเดินจงกรมอยู่เนาะเหมือนกับมีคนเนี่ยมาผลหลวงพ่อเถียนคือความคิดที่มันแวบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดที่หนักหน่วงนะสำหรับหลวงพ่อเทียน มันก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยกําลังเดินอยู่กําลังเดินจงกรมอยู่แล้วก็มาบอกให้ฟังบอกว่าเนี่ยผมเดินจงกรมอยู่นะครับแล้วก็ผมเพ่็นึกถึงแฟนผมก็นอกใจ <c oughs> ความคิดแบบนี้มันก็คงทําให้เราส่วนเสียอย่เหมือนกันนะเพราะนั้นนั่คือหลวงพ่าเทียนก็ระบุเลยแหละว่า้การลักคิดแบบเนี้ยตรงนี้แหละที่มันเป็นต้นเหตุของทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้หนวงพ่อเทียนเนี่ย จับประเด็นนี้เนี่ยมาเนาะก็เรียกมาพิจารณาแล้วก็มาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนเนี้ยนะว่ากรรมฐานของหลวงพ่อเทียนคําแนะนําของหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์พระอาจารย์เพศานก็ดีหรือว่าอะไรทั้งหมดก็ดีเนี่ยให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าหัดที่จะรู้สึกตัวกันหัดที่จะรู้สึกตัวกันแล้วเราก็จะไปมีสติเนาะกับการทําสิ่งต่างๆนาน า, นา แล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะมาคุ้มครองกายเราคุ้มครองใจเราให้เราได้เหมือนกับว่าได้ทำสิ่งที่เหมาะสมนะกับการที่เรามีโอกาสได้เกิดมาตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีเนาะตรงเนี้ยเนาะหรือคำสอนของกลุ่มอาจารย์ก็ดีเนาะก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ ออมาไว้เป็นมิตรเป็นเพื่อนประจำตัวเราได้คอยแนะนำเราแล้วก็ความรู้สึกตัวตรงนี้จะค่อยคๆยขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยได้มีสติเนาะมีสติไม่ใช่ว่าเฉพาะกับในรูปแบบแต่ว่นั้นคือของที่นี่เนาะหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าให้เราใช้กับนอกรูปแบบด้วย นั่นนั่นคือเขาขอให้พวกเราเนี่ยได้ลองสังเกตดูนะในขณะที่เราเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบหรือเดินจงกรมเราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่พอเวลาที่เร า, เราได้เริ่มไปตักอาหารบ้างได้เริ่มไปเดินบ้างว่าโอ๊นี่เราหลงไปแล้วนะเราหลงไปแล้วนะตรงนี้แ่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสติตัวจริงที่คอยเตือนเรา ที่เตือนเราให้เราเนี่ยได้กลับมาถูกติดตุกทางให้เราได้กลับมาดูกันบ้างสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยเราทํำยังไงถึงจะทําให้เราไม่ทุกกันนั่นนั่นคือตรงนเนี้ยเนาะก็เป็นก็เรียกว่าเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์ที่มอบไปให้กับทุกคนนะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยทากันได้เลยเนาะอย่างนั้นพวกเราก็เพียรกันเรื่องนี้แหละเนาะอย่างนั้นเอากลับมาพร้อมกัน